ในศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย่งไม่มีถากเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้ว เ, เรือนจำตารางตะเลงเห ล, ล่านี้ไม่ต้องมีมีทาไมผมไม่มีใครจะไปทำผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่อดีของการละกลันเน้ะมันก็อยู่ด้วยการได้สหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอม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 เนเราหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทาการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบายมาจากท่านจั น, นั่นท่านเอาริ่งเอกจังเวลาเจ็บไข้ในป้ป่วยมากๆสำหรับผ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทันแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงไม่ท่นาน เ, เป็นยํำลงไปเลย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 มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทำไมอนนะนถูกต้องความโกหกกับกับคนโง่คนฉลาดรือคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของยุเลดกับความโง่ของเรามันจะเข้ากันได้ง่ายทำทํานแยกเยกให้พุทธนา จนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปะดูลำดับลำหนักเอาแยกแยกให้มันเห็นทุกขิ้นทุกอันยาแยกจิตหีไปไหนทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาจากไหนก็ให้ค้นลงไปคาว่าทุกข์มันมีอาศัอาศอาศายอะไรเป็นที่ตั้ง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 อา a มณ์ยุติเป็น k บนี้่าฮ่าฮ่ามึอ